Bank of Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าลาสิ้นปีเออไม่มี เป็นเกย์อยู่บางส่วนแหละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะจะมีเต็มๆ100 ร้อยไม่มีความรู้สึกเพศเดียวกันสนไงยังไงก็มีมันเกิดใช่แต่ก็ในกรณี ต่อให้คุณจะมาทําอะไรให้เค้าก็ใช่ถึงถึงอาจจะถูกเตะได้ด้วยความเมา อืมจะมาปินจะมาใช้จะมาใช้คําว่าแบบเลยตามเลยแล้วทําให้แบบเป็นมากขึ้นอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่เออไม่อะหรือมีใคร มันก็อาจจะทําให้ อ้าวหนูพี่ไม่ได้เลยสวัสดีครับเออดีคือหนูพี่ประเด็นวันนี้อืม ไอ้เนี่ยอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่เราไปอยากมีเนี่ยเราไปเริ่มต้นกับเค้า อ๋อพ่อนุปีมีฝ่ายรับมาก่อชายเนี่ยยังเป็นฝ่ายลูกบ้านที่ไปลูกผู้ชายอ่ะเออก็เค้ามาหาที่บ้านแล้วเค้า เอ่อแนวรอครับอ๋อเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผมอืมที่บ้านของนุ๊ปปี้นั่นเองปลดถ่านข้างในไม่เป็นครับแล้วเค้าแล้วเค้าก็เลยรู้สึกว่านุ๊ปปี้อ่ะเวอร์จิ้นอยู่อืมไม่ไม่รู้เหมือนอืมครับผมแล้ว มันไม่แข็งมันไม่แก่งแต่ต้นนั่นแหละมันเริ่มเหงียนลงมาแต่ต้นเลยก็ครับผมแล้วเค้ารู้สึกมั้ยว่ามีอะไรผิดปกติอืม แล้วเราบอกเขาว่าจะยังไงเพราะว่าเขามีความตั้งใจจะมีอะไรกับหนูปีหนูปีก็ไม่สามารถทําได้เขาบอกว่าหนูปีเคยเป็นแกนอ๋อเออของเขา อ๋อหนูพี่ครับผมก็เค้าก็มีอารมณ์แล้วของเค้าอ๋อเออพี่สึกมาโอเคไม่เป็นๆหายๆนะอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างครับมีอารมณ์ฝีมีอารมณ์แล้วเค้าจะรู้สึกยังไงบ้างครับอืมแล้วจากนั้นเลย ขออัลเมนโทครับครับเอออะนะพี่เราวันขายของได้มั้ยครับฮัลโหลอะไรนะครับโอเคเอออืมแต่เสียง ขายตัวเลยนะครับดูพี่ครับอ้าวว่าอะไรนะขายขายตัวหาดูพี่ครับขายตัวดูพี่อ๋อทําไมเดี๋ยวคุยหลังเออมาเป็นจริงๆอ่ะไม่เป็นไร เกี่ยวกับประเด็นคุณนุ๊กปี้ก็ส่งเข้ามาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราถามหลังไมค์ให้ ทำขนมอยู่เหรอคะเออน้อง BB ก็มาทักทายครับพี่ใครที่ยัง Pink Mango Fresh ก็จะเป็นบริการ SMS ของเราก็ ใสสวยเออหินน้ําใสสวยที่โบสวยทั้งโทสวยขอโทเขา 4,500 บาทนะครับ Pink Mango Fresh อยู่ตอน แล้วก็ได้พิมพ์ R8 ส่งมาที่มา 4221031 นะ 29 บาทเท่านั้นเวลา 2 ข่าว 3 ทีข่าวว่าไปแล้วก็ Facebook ของ Pink Mango ได้ก็ Mango TV ก็ Facebook ก็ 3,000 คน โอ้อ่ายกโอเคพอดีปิ๊น Facebook มานะครับเขียนว่าสวัสดีครับ RCA นะครับแต่ตอนนั้น เอ่อพี่คงจําผมไม่ได้หรอกนะครับเข้าประเด็นเลย แล้วเค้าก็อาทิตย์นั้นน่ะน้องเค้าแวะเข้ามาในพี่เอไปชวน BB เอ่อเค้าให้แวะเข้ามาในราย เอ่อน้องกัสนั่นเองแล้วจะทําไงครับครับอัน โชว์รายงานตัวเหมือนกันครับอ่าโอเคเป็นไงเค้า 3,000 บาทนะนี่ รายการรายการจะขอตามไปดูคือรายการไม่ขออะไรทั้งขอโอเคกัสได้ฟังใช่ เออใช่เออไปเลยเออเฉยๆเพราะเอ๊ะเมื่อกี้จ๊กจ๊กหลังเออย้อน ไม่เคยเคยไม่เคยเออแล้วคุณอ่าคือคือสอบแบบอืมดูๆแบบว่ามีความคิดที่แบบๆอย่างนี้ ผมไม่ไม่ใช่ครับผมโจโจโอ๊ยกัดอยู่เฉยๆก่อนเออความอยากเดียวเลยอ่ะพี่จ๋องปกติ แต่ได้ยินเสียงเค้าปุ๊บก็เออก็จะๆในรายการบางเอ๊ะใครอะไรยังไงใน Facebook ของทั้งปิ๊นแล้ว ไปหาเซิร์ชเซิร์ชว่ากัสน่าจะยังไงแล้วส่งมาให้ดูครับเซิร์ชยังไงเซิร์ชยัง Facebook หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ปิ๊งก็บอกไม่มีให้ ก็มีขึ้นมาเหมือนกันก็มีขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ก็อะไรเงี้ยผมก็ก็แล้วก็ส่งให้ไปดูว่า กัดแรงหยังหรอกนายส่วนกัด 2 เสือครับผมก็ 2 แบบรูปแบบหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยแบบในตอนที่อยู่ในในจอเลยแบบหล่อมากมากหล่อเชี่ยไปคลิกว่าโล่งอกอ่ะคัดนี่ ที่ไม่ไม่ได้ติดภาคฐานแล้วครับผมว่าหลังจากนั้นก็เลยๆๆตรงเสียงตรงแนวความมุมมองความคิดต่างๆ2 คนใน Facebook มันคนมันเยอะอ่ะมันเยอะอยู่ ครับๆฟังโอเคมาถึงจุดนี้แล้วคนๆนี้เนี่ยเค้าขอเบอร์ก็ก็ถ้าฟัง ก็โอเคฮะเออดีใจด้วยไม่ได้ว่าเมื่อสักอาทิตย์ 2 อาทิตย์ต้องแค่แบบไม่ คุยอะไรบ้านแต่ก็มีคนที่ๆแบบอะไรคือๆผมมีความสุขอ่าก็คืออืมเออครับเองคุยกัน ครอบเคจของเราว่าตอนนี้ Work ไม่ได้แบบว่าต้องการคนมาเยอะอ่ะเมื่อก่อนอาจ ก็ก็ตรงนี้ก็ต้องอย่างที่บ่าครับผมก็คือคือกระตุ้นให้เกียรติใช่แล้วก็ว่า โจ๊กเนี่ยเค้ามีความพยายามสูงมากแล้วเค้าก็สนใจใน ตอนเนี้ยคือโจ๊กเนี่ยมีการจดข้อมูลเป็นว่านะเรียบร้อยแล้วว่าอ่ะ อากัดยังทําอะไรครับไม่โจ๊กๆเนี่ยไม่การจัดการจัดการเออ ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจด้วยตอนนี้เพราะว่าเค้าถ่ายผิดมาแล้ว 2 ครั้งและถ้าเกิดว่าหน้าอืมอันนี้ให้ ผมไม่ได้เก่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างที่ 6 ตัว เอ่อการ์ดเนี่ยปริ้นให้จอไปเรียบร้อย 4 ตัวหลังปริ้นไม่ได้ให้บอกเองในจะบอกเค้ามั้ยบอกตรงนี้เลย 4 ตัวหลัง 4 ตัวหลัง ฟันฟาคืออะไรนะอันไหนเพลงอ่ะอะไรเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงพี่วิทยาครับได้ยืดจะหลอกหรือเปล่าอ่ะโอเคครับเตรียมวิร้องอีกรอบนึงรอบนึงอ่า 1 2 3 เออครับ 2 3 1 2 ครับอ่า 2 ได้ยินมั้ย 2312 เลขที่ออกเลข 23312 ก็ 6 ตัว 6 ตัวแรกก็ a ให้มาพี่ก็ถามเลยครับเนี่ยเอาอย่างเดี๋ยว 2 คนฟังก่อนอ่าพี่โจ๊กครับผมแล้ว 5 ไอ้ตัวที่ 5 ตัวที่ 6 ได้ตัวที่ 3 ใช่ไหมมั้ยเออเออ อ่าแต่เจ้าปานนี่คือคือผมไม่ไม่ได้ได้มีตัวเลขเบอร์ผมเมมเข้าไปไว้ในเครื่องแล้วครับบินก็เมมเข้า แล้วก็มาอัปเดตกันให้ก็ได้นะหลังเอ่อก่อนก่อนจะเอ่อนี้อีกเป็นตัวอย่างไงเป็นตัวอย่าง Radio ใช่ป่ะ อืมเอ่อสวัสดีครับสวัสดีสิงห์นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทั้ง 2 คนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปโชว์คุยกันดูนะแล้วลืมแล้วเป็นแฟน นะครับก็เลยต้องอ่ะเราจะพักอืม i never needed you to be strong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 Just a little leave of conversations There isn't anything for you to say And my eyes hurt, hate, and shiver So look at me and listen to me Because Bank Off Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่หนอกจ้าและสินอ่าเลือกเสียงสถานเถอะอืมเสาบุญจีนอ๋อจริงๆนะครับ ในรายการหรือยังไงอืมลืมชมว่าวันนี้ภาพและเสียงเป๊ะมากเลยแล้ววันนี้ 28 ตั้งแต่ต้นครับ 28 สิงหาคมนะครับพี่บอกแปลว่าซาวด์เอฟเฟค นะครับคุณโอมใช่มั้ยติดติดหรือเปล่าก็เราอ่าลงขานิดนึง 25 สิงหาคม มีข่าวออก 22 สิงหาคมแล้ว 8 ปีแล้วนะครับๆแล้ว <เลย. S 2> 8 ปีแล้วๆคู่นะ รักกันอื่นๆนะทั่วๆไปก็คือตอนต้นเลยนี่เองกดผิดงงเลยคุณเบน เดี๋ยวก่อนนี่ก็เลยถามเลยแฟนคลับคุณเบนเค้ารู้อยู่แล้ว 7 ก็สัมภาษณ์เค้าด้วยอะไรกัน ใครยังอยู่แต่เรารู้อยู่แล้วกรณีนี้เบนอย่างเงี้ยถามพี่โหนก็รู้เออใครๆก็รู้ใครๆก็รู้อย่างเงี้ยเค้าตู้กระจกก็คือว่าอยู่ในตู้แต่เป็นตู้กระจกตู้กระจก ท้ายมาก่อนตอนนี้ไม่ว่าเออผม 9 ปีเลยหรือ แต่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวถึงสิพี่ป๊อดก่อนขนาดเดียว up ถามคําถามต่อจากที่เบนซ์ก็ออกมาไงก็ไปถามพี่ป๊อดตอบว่าก็เห็นกันก็ ก็ไปถามเขาเค้าก็บอกว่าก็อย่างที่เอาเป็นอยู่เนี่ยอืมเออก็ถามประมาณนี้อะไรอย่างนี้เออก็นี้เรียกว่าตู้ทาง แฟนเพจกลับมาโอ๊ยดีจังเลยแหละ เชื่อว่าอย่างนึงคืออะไรครับแม้ฉันจะว่าประมาณว่า ข่าวนะครับแล้วก็เห็นจากรูป Facebook อะไรของเค้าเนี่ยก็คือเค้าจะมีกลุ่ม กับเบนด์รวยดีครับแต่คุณเบนด์ได้อ่าทําหมี่ซอยเซ้งทําหมี่เอ่อ มันจะมานานๆทีเออไม่ไม่คือคือเข้าใจคือต้องเข้าใจว่าการการเปิด ไม่ไม่กลัวเขาเสียใจหรอเออไม่คือคุณต้องเข้าว่าเมียเค้าบอกให้คุณเหมือนโอไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้อะไรๆคน คลิปหลุดออกมาเป็นคลิปที่แบบโอ้หูยอลังการ คล้ายๆโทมัสนะโทมัสไม่อยู่ดีๆก็มาคือโทมัสก็มีรูปแล้วแต่โทมัสก็เปิดเผยไม่ในวงการเขาต้องเขาเองอ่ะมีสายครับสวัสดีครับสวัสดี อุดมความคืบหน้าความคืบหน้าคืบหลังจะจะคุยประเด็นมั้ยครับคืนนี้ก็คุณโอมีประสบการณ์กับผู้หญิงมั้ยครับอ๋อมีครับพี่ถูกไฟเมื่อวีคที่แล้วไงครับอ๋อมรสัดดาธีราปฏิบัติไม่ได้อ่าจะ คบแล้วกับพอดีว่าเค้าเหมือนเค้าบอกว่ามีเจ้าของ อันนี้ก็ไม่ยังไม่รู้ยังไม่เจาะหรือขนาดครับแล้วแล้วแล้วยังไงล่ะคือคนคนนั้นเนี่ยเค้าเค้าก็ ประมาณ 2 อาทิตย์เองครับ 2 อาทิตย์เองยังน้อยอยู่ 2, 2> oh. อาทิตย์เนี่ยยังน้อยมากเลยเค้าอดรอจะตีความไปเองเราค่อนข้างตัวเอง คุณโอมค่อนข้างตัวเองหรือเปล่าอืมอย่าพึ่งอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําอะไรเนี่ยถ้าเค้าสะดวกเมื่อไหร่แล้วเค้าให้อืมอืมดีมั้ย คือผมก็ไม่ได้โสดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือแบบว่าคนเก่าก็เหมือนว่าก็ระหองระแหงกันอยู่ ก็ใช่เป็นได้มั้ยครับมันคงดูแบบ ขอแค่ครั้งเดียวอะไรขอแค่ครั้งเดียวเฮ้ยกันแล้วนะคุณคะเหรอเค้าจะเจาะหูเหรอคะจะได้มาแค่ครั้งเดียวเมื่อกี้ปิ๊นๆมีด้วยเหรอไม่ได้บอกคือเค้าไม่ได้มีใจให้อ๋อขอ อุ้ยพี่ของใช่เค้าจะนั้นเดี๋ยวรอใจเย็นแป๊บนึงดูน้องดูน้องดูไม่ไม่เข้าใจ อืมไม่ขำนะเนี่ยเออใครหิวป่ะเช็ดตบเลยฉันฉันขำไม่ได้ เออก็คงหมดช่วงโปรแล้วอย่างงี้บางทีใช่อ่าใช่ก็ไปเริ่มช่วงโปรกับคนใหม่เออใช่ที่เขายังโสดดีกว่ามั้ยเอออืมไม่หรอกก็คบดีๆสิคือในความคิดชั้นเนี่ยนะคือการการคบกับใครเนี่ยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเอา คือถ้ารู้สึกว่าโอเคถ้ารู้สึกว่าโอเคเค้ามีมีแล้วแล้วก็คบเค้าเป็นเพื่อนก็ได้ใช่ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบคบเค้าระหว่างฟันเค้าเออฉัน เออไม่รู้ไข่วะเนี่ยก็โอเคมีคําถามอีกมั้ยออมโอเคอ่ะน้อง ดีขึ้นกับทีไม่มันจะทําให้ความรู้สึกของเธอใช่คือจะมองภาพชัดขึ้นใช่อืมถูกมากเป็นแรง เคนะครับคือนักทริปหลังบอกนะกลับมาที่ ประเด็นของเรากางเกงประเด็นโอเคนะคุณจะมีคนชอบเยอะมากเลยเดี๋ยวให้นี่ชื่อขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้มั้ยใหญ่แทงไปก็จอจอมันใหญ่ ลายไม่เหมือนกันไม่ต้องบอกก่อนว่ากางเกงเราเนี่ย 2 ทรงทรงแรกเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนทรงทรงบ็อกเซอร์ก็คือขาตรงอืมอันนี้ขาตรงขาเท่ากัน ส่วนอีกอีกรูปนึงเนี่ยเราก็เราไม่ นะฮะลังไข่ของคุณจะยังอยู่แล้วนะเอออีนางแบบล่างยักษ์ มีสีอื่นมั้ยสีอื่นสีอื่นสีมีสีขาวนะครับๆชอบสั้นๆชอบ 250 เองคือเพราะเป็นออเดอร์น่ะ ค่าส่งส่งก็ต่างๆตัวก็มีเอออารมณ์นั้นนะสาย 2 สายเมื่อตะกี้จะจบรายการแล้วจากที่เราชงให้ครับ จบครับพี่แนะนํามาครับเอาอ่ามาด้วยครับโอเคอันที่ถามกัดก่อนหลังจากที่ได้คุยกับในไปเรียบร้อยแล้วอ่าก็คุยคุยเออรู้สึก โอเคก็ก็รู้สึกค่อนข้างคุยแล้วก็เอ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ได้ไกลหรือว่าคุยแล้วโอเคฮะก็คืออยู่ใกล้กันด้วยดู ตัวนี้มันเกิดพี่เขาอ้อเออได้ของขวัญของขวัญ Facebook ได้ Happy Birthday นะ Birthday เออให้เออหาออกเออ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอเคนะคะบทนะครับบทฟาร์มบทต้องโอเคโจ๊กเป่าเทียนกัน โจ๊กครับนี่ใกล้กันกับไกลมากอย่างที่พี่นะอีกกันแต่อยู่แล้วอย่างงี้เอ่อโจ๊กครับมีคุย ทำเคกาคล้ายๆกันว่าเอ่ออ่ารู้สึกแบบแปลกใจอะไรยังไงหรือเปล่าผมเอ่อประมาณนั้นยังครับๆๆอย่างที่ที่แบบว่า โอเคเค้าก็ก็รู้ว่าอ่ามองโรงเรียนมอปายเค้ากับโรงเรียนมอปายผมเป็นโรงเรียนให้ตีกันประจําอ่ะอ่าโอเคนี่แล้วก็ ก็ประมาณนึงครับประมาณว่าเขาจบไปแล้วผมถึงจะเข้ามาโอ้ 6 ปีอืมเป็นถามนิดนึงเพราะ คนที่ผมถามเมื่อสตาร์ทที่แล้วไงว่าเออถ้าผมสมมุติว่าเป็นคนอายุมากกว่าจะเป็นอ่านี่ก็ได้ลองเลยนะเข้าทางเท้าเลยล่ะฮะ ขอ minute นี้เออไม่รู้หรอกน้องไม่รู้ไม่อยู่ฤทธิ์พี่น้องกันไปไงแต่ต่อไปก็อาจจะเป็นพี่น้องพี่น้องเออเป็นพี่เป็นน้องกันเออกรรมยัง อ่ะถามกันเข้ามาได้มีคนมีคนอยากให้เราใน M ผมมาเลยเอา maybe ใครตอบเนี่ยตอบเงียบอ่ะผมอ่ะผมก็ ก็รอแสดงว่าต้องแปลว่าต้องต้องนัดนัดว่าอาจจะนัดกันนิดๆยังไงกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสิ้นสุดไปเป็นนัดกันเองแล้วเออแล้วไม่ไม่ถูกใจคือไม่ถูกใจแล้วก็ Facebook ใน Facebook แล้ว เป็นNobody ดูใหม่อ่ะเพราะว่าตอนนี้รูปของโจ๊กเนี่ยไม่ใช่รูปของคุณโจ๊กเนี่ยตอนนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่ได้เป็น ตัวไหนอย่างไร 085 903 3809 นะครับ 085 903 3809 ตัวละ 250 บาทเป็นกางเกงที่ตัดเมดทูออเดอร์ไม่ซ้ําแบบนะครับลายก็จะ เอาเอาผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เป็นสีผู้ชายอย่างเธอก็ใส่ได้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายออกแนวหวานใส่ ใส่ได้หมดเลยนะฮะเออพี่หนอกก็ใส่ได้แต่มันอีกไซส์นึงก็ได้ขาสวยต้องใส่ไซส์แลโอเคเดี๋ยวฉันใส่ให้ดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่หนอกจะใส่ให้ดูนะครับนําสีอ่าจอใหญ่กับไปอ่ะจอใหญ่จะได้เห็นชัดหน่อย อาจจะสายดูกว้างขากว้างนิดนึงตรงเจก็ขาสวยนะคะขาเล็กนะขาเล็กนะอ่าพี่ สีดําสีดําขอบสีโอเคนี่ไปเต้นคือคือต้องต้องเนี่ยจะ ตรงเนี้ยต้องขายจะใส่แล้วดุแล้วมันใส่แล้ว สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นอ๋อขยับพยุงได้เออออกกําลังกายตีลังกายกขาได้ก็อ่ะปิ่นก็มาอีกชุดนึงนะที่ถาม Facebook พี่วิทยาก็ ฝังเพลินแล้วกันเนาะปิดปิดเบรกแล้วล่ะไม่ปิดเบรกปิด กับผู้ชายเนี่ยฟูตลอดกับผู้หญิงต้องบิ้วหน่อยเอานี่แหละนะแล้วเอ่อลืมอ่าแล้วเออแล้วก็โอเคปิ๊นเป็น เดี๋ยวเราต่อสายให้ถ้าเกิดกรรมประเทศแถงเออคุณเออเออของเพิ่นนี่มันไม่แน่นะไม่แน่แต่ๆ ถึง 5:00 น. นะครับ